กันศักกะปบัพพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าต่อจากนั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว ท้าจักกะเทวราชทรงแปลงเพศเป็นพราหมณ์ได้ปรากฏแก่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นแต่เช้าตรู่พราหมณ์ทูลถามว่าพระคุณเจ้าไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนหรือหนอทรงพระสําราญดีหรือพระคุณเจ้าเลี้ยงอัตภาพด้วยการสแสวงหามูลพลาหารสะดวกหรือมูลพลาหารมีมากหรือเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยหรือในป่าที่มีเนื้อไายอยู่พลุกพล่าน ไม่มีมาเบียดเบียนหรือพระเวสันดรตอบว่าท่านพราหมณ์เราไม่มีโรคมาเบียดเบียนเป็นสุขสําราญดีอันหนึ่งเราเลี้ยงอัตภาพด้วยการสแสวงหามูลพราหารและมูลพราหารก็มีอยู่มากอันหนึ่งเหลือยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อยในป่าที่มีเนื้อร้ายอยู่พลุกพล่านก็ไม่มีมาเบียดเบียนเราเลย เมื่อพวกเรามีชีวิตเศร้าโศกอยู่ในป่ามาตลอดเจ็ดเดือนเราย่อมเห็นท่านผู้เป็นพราหม์ผู้ทรงเพศอันประเสริฐบูชาไฟถือไม้เท้าสีดังผลมาตูมสุกและลักจันทรน้านี้เป็นผลที่สองมหาพราหม์ท่านมาดีแล้วมิได้มาร้ายท่านผู้เจริญขอเชิญเข้าไปภายในเชิญล้างเท้าของท่านเถิดพราหม์ผลมาพลับพ้มหา ผลมะจางผลหมากเมาที่มีรสหวานปานน้ำผึ้งเชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลที่ดีๆเถิ ด, ดมหาพรามแม้น้ำดื่มนี้ก็เย็นสนิทเรานำมาจากซอกเขาถ้าท่านต้องการก็เชิญเดิมเถิดอันหนึ่งท่านมาถึงป่าใหญ่เพราะเหตุไรหรือเพราะปัจจัยอะไรเราถามแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราพรามกราบทูลว่า พ่วงน้ำยังเต็มปีมตลอดเวลาไม่เหือดแห้งฉันใดพระองค์ทรงมีพระทัยเต็มปีมด้วยศรัทธาฉันนั้นข้าพระองค์ทูลขอแล้วขอพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานพระชายาแก่ข้าพระองค์เถิดพระเวชันดรตรัสว่าท่านพราหมณ์ท่านขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นเรามิได้วันไวเลยเราไม่ซ่อนสิ่งของที่มีอยู่ใจของเรายินดีในทาน พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรผู้พะดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีทรงกลุ่มพระหัตถ์ของพระนางมัตสีทรงจับเต้าน้ำหลังน้ำพระราชทานพระนางมัตสีให้เป็นทานแก่พราหมณ์ขณะนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงบริจาคพระนางมัตสีให้เป็นทานความน่าสะเพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวได้เกิดขึ้นแผ่นดินก็วันไหว พระนางมาัตสีไม่ได้มีพระพักเงางอไม่ได้ทรงเก้อเขินและไม่ได้ทรงกันแสงทรงเพ่งดูพระสวามีโดยดุษณีภาพโดยคิดว่าเท้าเธอย่อมทรงทราบสิ่งที่ประเสริฐพระศาสดาตรัสพระารัมนี้ว่าเมื่อตถาคตเป็นพระเวสสันดรบริจาคพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาซึ่งเป็นธิดาและพระมสัสีเทวีผู้มีวัดอันดี ผู้ยำเกรงในพระสวามีไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นบุตรทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้พระนางมัจจีเทวีจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงได้ให้ของซึ่งเป็นที่รักต่อมาพระนางมัจจีกลาบทูลว่า หม่อมฉันเป็นพระชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นพระองค์ทรงเป็นพระสวามีผู้เป็นใหญ่ของหม่อมฉันพระองค์ทรงปรารถนาจะพระราชทานหม่อมฉันแก่ผู้ใดก็ทรงพระราชทานแก่ผู้นั้นเถิดหรือทรงปรารถนาจะขายหรือจะฆ่าก็ทรงขายหรือทรงฆ่าเถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าท้าวสักกะจอมเทพ ทรงาราพระดำริของกระัตรทั้งสองนั้นจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์พระองค์ทรงชนะแล้วแผ่นดินก็บันลือลั่นแก่พระองค์กิติศัพท์ของพระองค์บันลือไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพย์สายฟ้าก็แลบแปลปลาาอยู่โดยรอบดังสะท้านปานประหนึ่งว่าภูเขาถล่มทลาย เทพเจ้าทั้งสองหมู่ผู้สิงสถิตยอยู่นภูเขานาระทะต่างถวายอนุโมทนาแด่พระเวสสันดร น, นั้นว่าพระอินพระพรมท้าประชาปีพระโสมยมยักษ์ท้าเวสุวรรณมหาราชและทวยเทพทั้งมวลต่างก็ถวายอนุโมทนาว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากแท้สัตบุรุษ ท, ทั้งหลายเมื่อจะให้ทานชื่อว่าให้ได้ยาก เมื่อจะทำกรรมก็ชื่อว่าทำได้ยากทำของสัตว์บุรุษทั้งหลายพวกอสัตว์บุรุษรู้ได้ยากเพราะฉะนั้นสัตว์บุรุษและอสัตว์บุรุษจึงมีคติที่ไปจากโลกนี้ต่างกันคือพวกอสัตว์ปรุษย่อมไปสู่นรกพวกสัตว์บุรุษย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จมาประทับอยู่ในป่าได้พระราชทานพระกุมารทั้งหลายและพระชายาให้เป็นทานนี้ชื่อว่า เป็นญาณอันประเสริฐไม่เป็นญาณที่พาก้าวลงสู่อบยัยภูมิขอมหาทานของพระองค์จงผลิตผลในสวรรค์เถิดเท้าสักกะตรัสว่าข้าพเจ้าขอถวายพระนางมัตสีพระชายาผู้มีความงามทั่วสรรพางกายคืนแก่พระคุณเจ้าพระองค์เท่านั้นทรงเป็นผู้คู่ควรกับพระนางมัตสีและพระนางมัตสีก็เป็นผู้คู่ควรแก่พระสวามี น้ำนมและสังทั้งสองมีสีเหมือนกันชันใดพระองค์และพระนางมัสสีก็ทรงมีพระทัยเสมอเหมือนกันชันนั้นทั้งสองพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้สมบูรณ์ด้วยพระโคดเป็นอุปโตสุชาติทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระปิดาทรงถูกเนรเทศจากแคว้นมาอยู่ณอาสมในป่านี้บุญทั้งหลายที่พระองค์กระทำมาแล้วฉันใด ขอพระองค์ทรงให้ทานกระทําบุญอยู่ร่่มไปฉันนั้นข้าแต่พระราชฤาษีมอมฉันเป็นเท้าสักระจอมเทพมาในสำนักของพระองค์ขอพระองค์ทรงเลือกรับพรมอมฉันขอถวายพรแปดประการแก่พระองค์พระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่เท้าสักระผู้ทรงเป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งปวงถ้าพระองค์จะประสาพรแก่มอมฉัน ขอให้พระปิดาจงมารับหม่อมฉันขอพระปิดาทรงต้อนรับหม่อมฉันผู้ออกจากป่านี้ไปถึงเรือนของตนด้วยราชอาณานี้เป็นพรประการที่หนึ่งขอให้หม่อมฉันไม่พึงชอบใจการฆ่าคนอันหนึ่งแม้ผู้นั้นจะเป็นนักโทษถึงประหารชีวิตผู้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงขอให้หม่อมฉันพึงได้ปลดปล่อยให้พ้นจากการถูกประหารชีวิตนี้เป็นพรประการที่สอง ขอให้ประชาชนทั้งหลายทั้งคนแก่ทั้งเด็กและคนปานกลางพึงเข้ามาอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีวิตนี้เป็นพรประการที่สามขอให้หม่อมฉันอย่าพึงล่วงละเมิดพัญญาผู้อื่นพอใจแต่ในพัญญาของตนไม่ไปสู่อำนาจของหญิงทั้งหลายนี้เป็นพรประการที่สี่ข้าแต่เท้าสักกะขอให้บุตรของหม่อมฉันผู้พร่าพรากไปแล้วนั้นพึงมีอายุยืนนาน จงครอบครองแผ่นดินโดยธรรมเถิดนี้เป็นพรประการที่ห้าต่อจากนั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วขอให้อาหารทิพย์พึงปรากฏนี้เป็นพรประการที่หกเมื่อมอมฉันให้ทานอยู่ขออย่าให้ทัยธรรมหมดสิ้นไปเมื่อกําลังให้ขอให้มอมฉันพึงทําใจให้ผ่องใสครั้นให้แล้วขออย่าให้หม่อมฉันได้เดือดร้อนใจในภายหลัง นี้เป็นพรประการที่เจ็ดเมื่อพ้นจากอัตภาพนี้ไปขอให้มอมฉันไปสู่สวรรค์อันเป็นการไปพิเศษครั้นจุติจากภพนั้นแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนี้เป็นพรประการที่แปดครั้นได้สดับพระดำรัตของพระเวสสันดรแล้วเท้าสักกะจอมเท่ได้ตรัสพระดำรัสดังนี้ว่าคงไม่นานนักพระบิดาบังเกิดกล่าวของพระองค์ ก็คงจะเสด็จมาเยี่ยมพระองค์ครั้นตรับพระดำรดนี้แล้วท้ามขวานสุชัมบดีเทวราชก็ได้พระราชทานพรแก่พระเวสสันดรแล้วเสด็จกลับไปสู่หมู่ชาวสวรรค์การศักรบับจบการมหาราชพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมารจึงตรัสว่านั่นใครหนอหน้า ง, งามยิ่งนักดังทองคำธรรมชาติ ที่นายช่างหล่อล้อมด้วยไฟสีใสสุก ป, ปลัง่งดังแท่งทองธรรมชาติที่ละลายคว้างอยู่ที่ปากเบ้าถ้าโรคเหล่านี้มีอายุวะคล้ายคลึงกันมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือคนหนึ่งเหมือนพ่อชาลีอีกคนหนึ่งเหมือนแม่กันหาชินาถ้าโรคเหล่านี้มีรูปเสมอกันเหมือนราชสีออกจากถ้ำทองทารคเหล่านี้ปรากฏเหมือนหล่อล้อม ด้วยทองคําธรรมชาติเลยทีเดียวพระรัตวาชาพราหมณ์ท่านได้นําทารกเหล่านี้มาจากที่ไหนหนอวันนี้ท่านได้มาถึงแคว้นของเราแล้วจะไปที่ไหนต่อไปชูโชกกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพทารกเหล่านี้มีผู้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยความพอใจตั้งแต่วันที่ได้ทารกเหล่านี้มาวันนี้เป็นคืนที่สิบห้า พระเจ้าสนชัยตรัสว่าด้วยวาจาไพเราะ อ, อะไรเล่าท่านจึงได้ทารกเหล่านี้มาท่านควรทําให้เราเชื่อโดยวิธีที่ชอบใครให้ปุตตะทานอันสูงสุดนั้นแก่ท่านชูโชกกราบทูลว่าพระราชาผู้ทรงเป็นที่พึ่งของพวกยาจกที่มาทูลขอเป็นดังธรณีเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายคือพระเวชสันดรผู้เสด็จไปประทับอยู่ในป่า ได้พระราชทานพระโอรสทั้งหลายเข้า่าพระองค์พระราชาผู้ทรงเป็นที่ต้องประสงค์ของพวกยาจกผู้มาทูลขอเป็นดังสาครอันเป็นที่รองรับของแม่น้ำทั้งหลายที่หลั่งไหลมาคือพระเวสันดรผู้เสด็จไปประทับอยู่ในป่าได้พระราชทานพระโอรสทั้งหลายเ ข, ยข้าพระองค์พวกอมาธิเตียนพระเวชันดอนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระราชาผู้มีศรัทธา ทงอยู่ครอบครองเรือนทรงทํากรรมที่ไม่สมควรหนอพระเวสสันดรถูกในประเทศออกจากแคว้นไปอยู่ในป่าจะเพึงพระราชทานพระโอรสทั้งหลายได้อย่างไรหนอท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวพระนครมีประมาณเท่าใดที่มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ขอทุกท่านจงช่วยกันพิจารณาดูเรื่องนี้พระเวสสันดรประทับอยู่ในป่าได้พระราชทานพระโอรสทั้งหลายได้อย่างไร พระองค์จงพระราชทานทาตทาสีม้าแม่ม้าอัศดรรถและช้างกุญชรตัวประเสริฐไปเถิดทำไมจึงทรงพระราชทานทารกทั้งหลายเล่าพระชาลีกุมารกราบทูลว่าข้าแต่สมเด็จพระอิยากาในเรือนของผู้ใดไม่มีทาตม้าแม่ม้าอัสดรรถและช้างกุญชรตัวประเสริฐผู้นั้นจะพึงให้อะไร พระเจ้าสวนชัยตรัสว่าบุตรน้อยทั้งหลายปูสรรเสริญทานแห่งบิดาของเจ้านั้นไม่ได้ติเตียนเลยหาไทยแห่งบิดาของเจ้าเป็นอย่างไรหนอจึงได้ให้เจ้าทั้งสองแก่พรามวณิภกพระชาลีกุมารกราทุลว่าข้าแต่พระอัยการมหาราชพระบิดาของหม่อมฉันพระราชทานพวกหม่อมฉันแก่พรามวณิภกแล้วได้ทรงสดับถ้อยคารำพันพิลาบ ซึ่งน้องกันหาได้กล่าวแล้วข้าแต่สมเด็จพระอัยกาพระหทัยของพระบิดานั้นเป็นทุกข์และเร่าร้อนมีดวงพระเนตรแดงดังดาวโรฮินีมีพระอสุชนหลังไหลน้องกันหาชินาเรียกราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้เคี่ยนตีหม่อมฉันด้วยไม้เท้าเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรือนเบีย้ยข้าแต่พระบิดา ผู้นี้คงไม่ใช่พรามแน่เพราะพรามทั้งหลายเป็นผู้มีธรรมแต่พรามคงจะเป็นยักษ์แปลงเพศเป็นพรามนำลูกทั้งสองไปเพื่อจะกินเป็นอาหารพระเจ้าข้าลูกทั้งสองถูกพรามผู้เป็นปีศาจนำไปข้าแต่พระปิดาทำไมหนอะพระองค์จึงทรงเมินเฉย อ, อยู่เล่าพระเจ้าสนชัยตรัสว่ามารดาของเจ้าทั้งหลายเป็นพระราชบุตรี บิดาเป็นราชบุตรเจ้าทั้งหลายเคยขึ้นนั่งตักของปู่แต่บัดนี้เพราะเหตุไรจึงยืนอยู่ห่างไกลหนอพระชาลีกุมารกราบทูลว่าพระมารดาของหม่อมฉันทั้งหลายเป็นพระราชบุตรตรีและพระบิดาก็เป็นพระราชบุตรแต่หม่อมฉันทั้งหลายเป็นทาาของพราหมณ์เพราะฉะนั้นจึงยืนอยู่ห่างไกลพระเจ้าค่ะพระเจ้าสนชัยตรัสว่า เธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ไม่ชอบเลยหาไทยของปู่กำลังเร่าร้อนกายของปู่เหมือนอยู่บนเชิงตะกอนปู่ไม่ได้รับความสุขบนราชอาดเลยเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ไม่ชอบเลยอย่าได้เพิ่มความโศกเศร้าให้เกิดแก่ ป, ปู่เลยปู่จากไทยเธอทั้งหลายด้วยจับเธอทั้งหลายจากไม่เป็นทาสพ่อชาร์ลีบิดาของเธอทั้งหลายได้ตีราคาพวกเธอไว้เท่าไหร่ จึงให้พราหม์ขอให้เธอทั้งหลายจงบอกปู่ตามความจริงพนักงานทั้งหลายจงให้พราหม์รับเอาทรัพย์ไปเถิดพระชาลีกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระอิยากาพระบิดาทรงตีราคาหม่อมฉันมีค่าเท่าราคาทองคําพันแท่งทรงตีราคาน้องกัญหาชินาราชกัญญาด้วยสัตพานะมีช้างเป็นต้นอย่างละร้อยแล้วจึงได้พระราชทานให้แก่พราหมณ์ พระเจ้าสนชัยตรัสว่ามหาเล็กเจ้าจุงลุกขึ้นรีบเป็นนำทาสีทาตโคช้างและโคอุสภ ร, ราชอย่างละร้อยกับทองคำพันแท่งมาให้แก่พราหมเป็นข่าไทยบุตรทั้งหลายลาดับนั้นพนักงานรีบเป็นนำทาสีทาตโคช้างและโคอุสภ ร, ราชอย่างละร้อยมาให้แก่พราหมเป็นฆ่าไทย พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าประษัตริย์ทั้งสองทรงไถ่แล้วรับสั่งให้สงสนานและให้เสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วประดับด้วยอาภรณ์ทั้งหลายแล้วสมเด็จพระอัยกาทรงอุ้มทารกองค์หนึ่งสมเด็จพระอัยกาทรงอุ้มองค์หนึ่งพระกุมารทั้งสองทรงสงสนารพระเสียรแล้วทรงพระภูษาอันสะอาดทรงประดับด้วยอาภรณ์ทั้งปวงแล้ว พระราชาผู้พระอัยกาก็ทรงอุ้มพระชาลีขึ้นประทับบนพระเพลาพระกุมารทั้งสองทรงประดับกุนทนที่มีเสียงดังก้องน่ารื่นรมย์ใจทรงประดับดอกไม้และเครื่องอลังการทั้งปวงแล้วพระราชาทรงอุ้มพระชาลีกุมารขึ้นประทับบนพระเผลาแล้วได้ตรัสถามดังนี้ว่าพ่อชาลีพระบิดาและพระมารดาทั้งสองของเธอไม่มีโรคดอกหรือ เลี้ยงอัตภาพเ้ืยอการสแสวงหามูลพลาหารหรือมูลพลาหารมีมากหรือเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยหรือในป่าที่มีเนื้อร้ายพลุกพล่านไม่มีมาเบียดเบียนหรือพระชาลีกุมารกระทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพพระบิดาและพระมารดาของหม่อมฉันทั้งสองพระองค์นั้นไม่มีโรคเลี้ยงอัตภาพด้วยการสแสวงหามูลพลาหารและมูลพลาหารก็มีมาก อันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อยในป่าที่มีสัตว์ร้ายพลุกพล่านก็ไม่มีมาเบียดเบียนซึ่งพระปิดาและพระมารดาทั้งสองพระองค์นั้นเลยพระมารดาผมหม่อมฉันทรงขุดรากบัวเง่าบัวทรงสอยผลพุทราผลรกฟ้าและผลมะตูมนํามาเลี้ยงพระปิดาและหม่อมฉันทั้งสองพระมารดานั้นทรงนามูลพลาหารใดมาจากป่า พระ บ, บิดาและหม่อมฉันทั้งสองมารวมกันเสวยมูลพละหารนั้นในทุกคืนวันพระมารดาของหม่อมฉันทั้งสองเป็นประศัตรสุคุมมารชาติต้องมาเทีย่ยวแสวงหาผลไม้มีพระชวีวันผอมเหลืองเพราะลมและแดดเหมือนดอกประทุมที่ถูกขยำด้วยมือเมื่อพระมารดาเสด็จเที่ยวไปในป่าใหญ่ซึ่งเป็นป่าที่มีสัตว์ร้ายพุกพล่านเป็นที่อยู่อาศัยของแรดและเสือเหลือง พระเกษาของพระองค์ก็ร่วงหล่นพระมารดาทรงขมวดพระเมาลีทรงไว้ซึ่งเหงื่อใครที่พระกัจฉะทรงพระปูศาหนังเสือบรรทมเหนือแผ่นดินและทรงบูชาไฟบุตรทั้งหลายเกิดมาแล้วเป็นที่รักของมนุษย์ในโลกพระอยกาของเราทั้งหลายเมื่อเกิดพระเสนหาในพระโอรสเป็นแน่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าหลานรักจริงทีเดียว การที่ปู่ให้เนรเทศซึ่งพระบิดาของเจ้าผู้ไม่มีโทษเพราะคำพูดของชาวกรุงศรีพีนั้นชื่อว่าปู่ได้ทากรรมชั่วร้ายและชื่อว่าปู่ได้ทำกรรมที่ทาลายความเจริญแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งของปู่มีอยู่ในนครนี้ก็ดีทรัพย์และธัญชาติใดๆมีอยู่ก็ดีขอให้พระเจ้าเวสันดรจงมาเป็นเจ้าปกครองสิ่งนั้นๆในกรุงศรีพีเถิด พระชาลีคูมากราบทูลว่าขอเดชะส ม, มุติเทพพระบิดาขมหม่อมฉันเป็นผู้สูงสุดแห่งชาวกรุงศรีพีคงจะไม่เสด็จมาเพราะคำของหม่อมฉันขอให้พระองค์ผู้ส ม, มุติเทพเสด็จไปทรงอภิเษกพระบิดาขมหม่อมฉันด้วยโภคะทั้งหลายด้วยพระองค์เองเถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้น พระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้รับสั่งเสนาบดีว่ากองทัพคือกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลราบจงตระเตรียมอาวุธให้พร้อมชาวนิคมพราหมณ์และพวกปุโรหิตจงตามเราไปต่อจากนั้นเหล่าทหารหกหมื่นานายผู้สง่า ง, งามผู้สอดอาวุธแล้วประดับด้วยผ้าสีต่างๆกันจงพากันรีบตามมาโดยเร็ว เหล่าทหารผู้ผูกสอดอาวุธแล้วประดับประดาด้วยเสื้อผ้าสีต่างๆกันคือพวกหนึ่งแต่งด้วยผ้าสีเขียวพวกหนึ่งแต่งสีเหลืองพวกหนึ่งแต่งสีแดงพวกหนึ่งแต่งสีขาวจงรีบตามมาผู้เขาคันธมาศมีกลิ่นหอมถูกขิมมะปกคลุมดารดาไปด้วยพุทธชาตินาน า, นาชนิดเป็นที่อาศัยอยู่ของฝูงสัตว์เป็นอันมาก และมีต้นไม้ที่เป็นทิพยะโอสทสว่างสวัยและฟุ้งตลบไปทั่วทิศชันใดขอเหล่าทหารผู้ผูกสอดอาวุธแล้วจงรีบตามมาและจงรุ่งเรืองมีเกียรติยศฟุ้งะจรไปทั่วทิศชันนั้นเถิดต่อจากนั้นจงจัดเทียมช้างที่สูงใหญ่หนึ่งสี่พันเชือกมีสายรัดประครับทองมีเครื่องประดับและเครื่องปกคลุมศีรษะที่สาเร็จแล้วด้วยทอง มีนายควานช้างถือโตมอนและขอขึ้นขี่คอประจำเตรียมพร้อมจับประดับตกแต่งสวยงามจุงรีบตา ม, มาต่อจากนั้นจงจัดม้าสินทบชาติอาชาในหนึ่งหมสพันตัวที่มีฝีเท้าเร็วพร้อมด้วยนายสารถีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการถือแสและดาบสั้นผูกสอดอาวุธขึ้นขี่ประจำหลังต่อจากนั้นจงจัดทีมกระบวนรถ หนึ่งมืนสี่พันคันที่มีเหล็กคุ้มกงล้ออย่างแน่นหนาเรือนรถขจิตด้วยทองจงยกธงขึ้นปักไว้บนรถคันนั้นๆพวกนายขมังธนูผู้ยิงได้แม่นยำคล่องแคล่วชำนาญในรถทั้งหลายจงเตรียมโล่เกราะและแร่งธนูไว้ให้พร้อมทหารเหล่านี้จงตระเตรียมให้พร้อมแล้วรีบตา ม, มาขอจงให้โปรยข้าตอกดอกไม้มาลัยของหอม และเครื่องรูปไล้เถิดและจงให้จัดตั้งเครื่องบูชาอันมีค่าตามทางที่พระเจ้าเวสันดรนโอรสของเราจากเสด็จมาในบ้านแต่ละหมู่บ้านจงให้ตั้งหม้อสุราและเนรายไว้หมู่ละร้อยหมอ้อที่หนทางที่พระเจ้าเวสันดรนโอรสของเราจากเสด็จมาจงให้ตั้งมังสาหานขนมขนมแดกงาขนมกลุ่มมาที่ปรุงด้วยเนื้อปลาไว้ใกล้ทาง ที่พระเจ้าเวสันดรโอรสของเราจากเสด็จมาจงให้ตั้งเนยใสน้ำมันนมส้มนมสดขนมแป้งข้าวฟ่างและสุราเป็นจำนวนมากไว้ใกล้ทางที่พระเจ้าเวสันดรโอรสของเราจากเสด็จมาให้มีพนักงานพิเศษทั้งครัวหวานและครัวขาวจัดตั้งไว้เพื่อประชาชนทั่วไปให้มีมหโหรสพฟ้อนรำขับร้องทุกๆอย่าง เพลงปรบมือกลองยาวคนขับเสภาและคนผู้บรรเทาความเศร้าโศกพวกมโหรีรจงเล่นดนตรีดีดพินพร้อมทั้งตีกลองน้อยกลองใหญ่เป่าสังตีกลองหน้าเดียวตีตะโพนกวางบันดอกเป่าสังดีจะเขและตีกลองใหญ่กลองเล็กพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า กองทัพของกรุงศรีพีเป็นกองทัพใหญ่ที่จัดเป็นกระบวนตั้งไว้เสร็จแล้วมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางได้ยาตราไปยังเขาวงกตช้างพลายอายุหกสิบปีมีสายรับประคับทองผูกตกแต่งไว้บรรลือกล้องโกนจนาตกระหืมอยู่ช้างวารณะก็บรรลือโกนจนาตกระหื่มอยู่เหล่ามาอาชาในก็แผ่เสียงแหลมดังลั่น เสียงกลงล้อดังเปิดก้ อ, กองฝุ่นละอองฟุ้งตลบถึงหน้าผากาศกองทัพของชาวกรุงศรีพีก็จัดกระบวนตั้งไว้ดีแล้วกองทัพนั้นเป็นกองทัพใหญ่จะเป็นกระบวนตั้งไว้สามารถทําลายล้างอริราชศัตรูได้มีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นําทางได้ญาตราไปยังเขาวงกฏพระเจ้ากรุงสนชัยพร้อมด้วยข้าราชบริพารเหล่านั้น เสด็จเข้าไปยังป่าใหญ่ที่มีกิ่งไม้มากมายและน้ํามากดาราดาไปด้วยต้นไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองอย่างในป่าใหญ่นั้นมีนกมากมายหลายสีมีเสียงกล่อมไพเราะเกาะอยู่บนต้นไม้ที่ผลิดอกตามฤดูกาลร้รองประสานเสียงเสียงระเบงเป็นคู่คู่พระเจ้ากรุงสนชัยพร้อมด้ยวยราชบริพารเหล่านั้นเสด็จพระราชดําเนินไปสู่ทางไกล ล่วงเลยหลายวันหลายคืนจึงบรรลุถึงประเทศที่พระเวสสันดรประทับอยู่การมหาราชจบ